จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดข้อที่3ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตอุทานากาลมหิอนุทธหาโนยุวาภารีอระสยังอุเปโตสังสรร นาสังกัปปะมนโนกุสีโตปัญญายะมักังอะโสณวินทติแปลว่าบุคคลยังหนุ่มมีกำลังแต่เกียรติคร้านไม่ลุกในการที่ควรลุกเป็นผู้มีความดำริอันจมแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาอธิบายความว่าข้อที่ว่า ไม่ลุกในการที่ควรลุกนั้นก็คือไม่ขยันในการที่ควรขยันไม่ทำงานในเวลาอันควรทำงานในวนัยนมอันควรจะทำงานแต่หมวัวเที่ยวเล่นเที่ยวคุยเที่ยวสนุกเพลิดเพลินเสียไม่ทำงานหาทรัพย์ไว้ใช้ในยามชราเมื่อวัยชรามาถึงเข้าทำงานไม่ไหวเพราะอาวัยวะไม่อานวยทรัพย์สมบัติ ก็ไม่มีจะเลี้ยงตนอย่าว่าแต่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพี่น้องลูกหลานเลยต้องทนอยู่อย่างลำบากแรนแนขนรับวกรับใจหาความสุขไม่ได้ท้งกายและทางด้านจิตใจเพราะความเกลียดครา้านั้นเป็นเหตุในข้อที่ท่านว่ามีความดําริอันจมนั้นนั่นคือไม่มีความดําริเริ่มที่จะทำอะไร ชอบอยู่เฉยๆไม่มีการเริ่มต้นงานทุกอย่างจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการเริ่มต้นคนที่มีความดําริไม่จมคือมีความดําริฝูอยู่เสมอนั้นคือคนที่มีการเริ่มต้นมีความริเริ่มในการทํานั่นทํานี่อยู่เสมอเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็มีความบักบันเสมอต้นเสมอปลายแม้จะมีอยู่ประักข์ขวางอยู่ หรือเข้ามาขั้นเป็นระยะระยะก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคให้งานนั้นสำเร็จลล่วงไปจนได้มีงานอะไรบ้างที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีเหตุขัดข้องท่านว่างานยิ่งใหญ่ยิ่งมีอุปสรรคมากนคนยิ่งใหญ่แท้จริงคือคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายและเอาชนะอุปสรรคนั้นนั้นได้มีผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตคนใดบ้างที่ ไม่เคยผ่านอุปสครรคครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ได้ผ่านอุปสรรคันยิ่งใหญ่สัตว์ตกลงในบ่อมันยังพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาฉะไหนมนุษย์จึงไม่พยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้พ้นจากความลำบากยากเข็ญความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการได้มองเห็นงานที่ตนทาสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เพียงใดก็ตามเมื่อเป็นดังนี้ทำไมเล่าเราจึงไม่สแสวงหาความสุขจากการทำงานทำไมจะต้องสแสวงหาความสุขจากความเกลียดคร้านซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายทั้งปัจจุบันและอนาคตอนาคตของทุกคนสร้างขึ้นด้วยงานคนไม่ทำงานไม่สามารถสร้างอนาคตได้ อนาคตที่สร้างด้วยงานนั้นเป็นอนาคตที่มั่นคงแข็งแรงและน่าสรรเสริญคนเราส่วนมากคือในชีวิตของคนทั่วๆไปถ้าไม่ลำบากเรื่องงานก็ต้องไปลำบากเรื่องอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ให้ลำบากเรื่องงานเสียดีกว่าเพราะเมื่อทำงานผลของงานย่อมเหลืออยู่ให้มองเห็นให้ชื่นใจบ้างข้อสําคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ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 ทางแห่งปัญญาดังพรนนามานี้เรื่องนี้พระองค์ได้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราร พ, พระประธานะกรรมิกติสสะมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500คนออกบวชในสำนักพระศาสดาเรียนกรรมฐานแล้วไปอยู่ป่า แต่มีภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ไปทำความเพียรในป่าคงพักอาศัยอยู่ในวัดเฉตวันนั่นเองภิกษุนอกนั้นไปทำความเพียรในป่าได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วกลับไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อกราบทูลพระาศาสดาถึงขุนที่ตนได้บรรลุแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ออกบินทบาทในบ่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณหนึ่งโยชน์ วงเล็บเหตุการณ์นี้เกิดก่อนภิกษุเหล่านั้นจะมาถึงเมืองสาวัตถีก่อนได้เฝ้าพระศ า, าสดาอุบาสกคนหนึ่งเห็นแล้วเลื่อมใสได้ถวายเข้าต้มเข้าสวยฟังอนุโมทนาแล้วนิมนต์ภิกษุเหล่านั้นเพื่อให้มาฉันในวันรุ่งขึ้นอีกนี่พวกเธอไปยังเชตวนารามในวันนั้นเก็บบาตรและจีวรแล้วเวลาเย็นไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ ตอนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยความยินดียิ่งในขณะด้านภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นสหายของภิกษุเหล่านั้นคือรูปที่ไม่ได้ไปทำความเพียรในป่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเห็นพระสาทสดาปราศัยกับภิกษุอื่นๆอย่างสนิทสนมไม่ได้ขาดพระโอษฐ์แต่ไม่ได้ตรัสปราศัยกับเธอเลยเธอคิดว่าเห็นจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรวันนี้แหละ เราจะพยายามให้บรรลุพระอรหัตผลให้ได้เพื่อพระศาสดาจะได้ตรัสปราศัยกับเราเธอจงกลมอยู่คืนยังรุ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนความง่วงงงทำให้เธอล้มลงฟาดกับแผ่นหินแผ่นหนึ่งกระดูกขาแตกร้องครวญครางด้วยเสียงอันดังพวกภิกษุที่เป็นสหายของเธอได้ยินเสียงแล้วจำได้ต่างวิ่งมาช่วยเหลือพยาบาลอยู่ จนไม่อาจไปในที่นิมนต์ที่อุบาสกคนนั้นนิมนต์ไว้ให้ทันได้พระศาสดาทรงทราบเรื่องดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นี้ทำลายลาบของเธอในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เคยทาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วได้ตรัสวรุณชาดกความว่าคนใดเอากิจที่ควรทำก่อนไปทำเสียทีหลัง หรือเอากิจที่ควรทำที่หลังไปทำเสียก่อนบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนมานพหักกิ่งกลุ่มฉะนั้นพระศ า, ศาสดาทรงประชุมชาดกว่ามานพ500คนได้มาเป็นภิกษุ500รูปในการนี้มานพผู้เกียดคร้านได้มาเป็นภิกษุผู้เกียดคร้านในการนี้ส่วนอาจารย์ที่สาปโมก ค, คือพระองค์เองพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดไม่ขยันในการที่ควรขยันเป็นผู้มีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่บรรลุคนวิเศษมีฌานเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัฏฐานกาลามิเป็นอาธิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นท่านให้ความหมายนิดหนึ่งว่าที่พระองค์ได้กล่าวถึงวรุณชาดกนะ มีข้อความในชาดกว่าอาจารย์ที่สามป่าโมกใช้ให้สิทธิ์ไปหาไม้ฟืนในป่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นนอนเสียตื่นขึ้นขณะที่เพื่อนเขากลับหมดแล้วตกใจรีบปีนขึ้นต้นกลุ่มหักกิ่งกลุ่มเพราะความที่รีบปลายกิ่งกลุ่มตวัดถูกที่ตาเจ็บปวดมากร้องควรครางกลับไปอันนี้ความยอ่อในชาดกที่พระองค์ทรงอ้างถึง 4. ทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วพระพุทธภาษิตวาจานุรักขีมนาัสาสุสังวุโตกาเยนะจะอากุสลงนกยิราเอเตตโยกรมมะปะเถวิโสทะเยอาราทะเยมขะมิสิปะเวทิตังแปลว่าบุคคลเพิ่งเป็นผู้รักษาวาจาสำรวมใจ และไม่พึงทำอกุศลด้วยกายพึงยังกรรมบททั้งสามประการนี้ให้หมดจดพึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วท่านอธิบายว่าวาจาคือคำพูดที่ออกจากปากหรือคำพูดที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือที่ผู้อ่านเข้าใจได้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าข้าช้างจะเอางา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 มีวาจาเชื่อถือได้ทุกการทุกสมัยในขณะเดียวกันมีความตั้งใจงดเว้นทุจริตทางวาจาสี่อย่างคือการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อแต่พูดในทางตรงกันข้ามคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามาคัคคีและพูดมีประโยชน์บัณฑิตย่อมตามรักษาวาจาของตนให้จริงอยู่เสมอเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องน่าละอาย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 ในหมู่เพื่อนฝูงทำให้มีใจเกื้อกูลกันทั้งทางตรงและทางอ้อมการพูดมีประโยชน์ย่อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นตั้งแก่ผู้พูดหรือผู้ฟังผู้พูดก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าการพูดหลอดแหลเป็นการเสียเวลาอย่างมากเสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟังนอกจากนี้ผู้สนิท กับคนพูดหลอดแหละเสพคุนมากเข้าอาจติดนิสัยกลายเป็นคนพูดหลอะแหละไปด้วยก็ได้นี่ผู้รักษาวาจาเป็นผู้น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นคนเชื่อถือได้การรักษาวาจาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเป็นหัวหน้า ง, งานมีอำนาจรับผลเข้าทำงานท่านจะเลือกคนรักษาคำพูดหรือคนไม่รักษาคาพูดเข้าทางาน ถ้าท่านเป็นคนค้ำประกันหากคนที่ท่านค้ำประกันเป็นคนไม่รักษาคำพูดทำหนี้สินเอาไว้แล้วหนีไปปล่อยให้ท่านต้องใช้หนี้สินแทนในฐานะเป็นคนค้ำประกันท่านจะทำอย่างไรเนี่ยท่านรู้สึกพอใจคนอย่างนั้นไหมถ้าใครสักคนหนึ่งสัญญากับท่านว่าจะรักท่านตลอดไปแต่ไม่นานนักเขาก็ไปรักคนอื่นแต่งงานกับคนอื่นโดยไม่แยแสต่อสัญญาที่ให้กับท่านไว ท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านปวดร้าวไหมกรณีสา์น้ำกดใส่หน้าฆ่ากันตายของหนุ่มสาวอันสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นแทบทุกวันบางวันก็มีหลายรายด้วยนี่ข้อว่าสํารวมใจนั้นคือสํารวมใจไม่ให้กำหนัดขัดเครืองหลงและมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองหลงและมัวเมา คนส่วนใหญ่ย่อมกำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือหากไม่กำหนัดก็พยายามไปสแสวงหาสิ่งย่อยวนเพื่อให้เกิดความกำหนัดเมื่อยังไม่หลงไม่มัวเมาก็ไปเที่ยวสแสวงหาอารมณ์หรือสิ่งอันจะทำให้หลงให้มัวเมาแต่ส่วนผู้มีสติย่อมไม่ทำอย่างนั้นแต่กลับทำไปอีกทางหนึ่งคือสารวมระวังใจไม่ให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลง มัวเมาแม้ในอารมณ์อันน่ากำหนัดขัดเคืองลุ่มลงและมัวเมาข้อว่าไม่พึงทำอกุศลด้วยกายนั้นคือไม่ทำกายทุจริตไม่ทำทุจริตทางกายไม่ว่าด้วยประการใดเช่นเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในการมเป็นต้นตรงกันข้ามพยายามประกอบกุศลกรรมด้วยกายเช่นการช่วยเหลือเด็กและคนชรา ช่วยชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นเท่าที่โอกาสและกำลังจะอำนวยช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บช่วยบริจาคทรัพย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนช่วยให้ภรรยาสามีที่แตกร้าวกันกับสมานสามัคคีกันเพื่อลูกเต้าของเขาจะได้อบุ่นพร้อมกับพ่อแม่อย่างนี้เรียกว่าเว้นอกุศลทางกายแต่ทำกายให้เป็นประโยชน์เป็นกุศล รวมความว่าพึงรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ไม่แปดเปื่อนด้วยมลทินและพึงยินดีทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณประกาศแล้วคือพยายามเดินตามทางของท่านผู้สแสวงหาคุณเพื่อจะได้พบคุณอันยิ่งใหญ่ทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณประกาศแลวนั้นคืออริยมรตมีองค์แมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิเป็นเบื้องปลายบุคคลเดิน ตามทางนี้แล้วย่อมมีแต่ความสุขความเจริญหามีความเสื่อมไม่เรื่องนี้ภาษาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราษฎร์ทรงปรารพสุกรเปรตมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้วันหนึ่งพระมหาโมคคลานะเทระลงจากภูเขาคิจกูรกับพระคณะเทระ มาถึงที่แห่งหนึ่งพระมหาโมคลานะแสดงอาการแย้มให้ปรากฏคือยิ้มน้อยๆเพื่อให้รู้ว่ามีเหตุพิเศษนี่พระลักษณะถามว่าท่านแสดงอาการแย้มให้ปรากฏเพราะเหตุไรพระมหาโมคลานะตอบว่าบัดนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหานี้ขอให้ท่านถามในสำนักพระพุทธเจ้าเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วฉันอาหารเช้าแล้ว ตอนสายวันนั้นเมื่อมาเฝ้าพระศ า, าสดาพระลักษณะได้ถามถึงเรื่องนี้อีกพระมหาโมคคลานะจึงตอบว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเปรตตนนั้นมีอัตภาพใหญ่ยาวมากสรีระของมันคล้ายมนุษย์แต่ศรีรษะของมันคล้ายศรีรษะสุกรหางมันเกิดที่ปากหมูนอนไหลออกจากปากนั้นผมไม่เคยเห็นสัตว์ผู้มีรูปอย่างนี้เลยจึงทําการยิ้มให้ปรากฏ พระศาสดาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเรามีจักสุก็มีอยู่หนาแม้เราเองก็เคยเห็นสัตว์เห็นป่านนี้ที่โพธิมณฑลเหมือนกันแต่เราไม่พูดด้วยหวังจะนุเคราะห์คนทั้งหลายเพราะหากเราพูดไปแล้วคนพวกใดไม่เชื่อความไม่เชื่อของเขานั้นก็จะเป็นโทษแก่เขาเองบัดนี้เราได้โมโหลานะเป็นพวกแล้ว โมคลานะพูดจริงภิกษุทั้งหลายเราก็เป็นพยานของโมคลานะได้ภิกษุทั้งหลายทูล ถ, ถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอดีตกรรมของมันดังนี้ในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะพระเถเรสองรูปอยู่ในอาวาสหนึ่งท่านมีความรักใคร่กันเหมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาคือเหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน รูปหนึ่งพรรษา60อีกรูปหนึ่งพรรษา59พระอนุเทระคือผู้มีพรรษา59ถือบาทและจีวรให้พระเทระปฏิบัติพระเทระอย่างดีทำตนประหนึ่งสามเณรของท่านเมื่อพระเทระทั้งสองกลมเกี่ยวสามมขี่กันอยู่อย่างนี้พระธรรมกะิกคือผู้ชำนาญในการแสดงธรรม รูปหนึ่งก็ได้ม า, าหรือจอนมาสู่อาวาสนั้นและขออาศัยอยู่ชั่วคราวพระเถระทั้งสองยินดีมากที่ได้พระธรรมกตะึกมาพักอาศัยอยู่ด้วยพอดีถึงวันธรรมมาสวัสดิ์วันฟังธรรมเหมือนวันนี้แหละพระเถระทั้งสองเชื้อเชิญให้พระธรรมกตะึกแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทและแก่ท่านทั้งสองด้วยวันรุ่งขึ้นท่านทั้งสองพาพระธรรมกตะถึกไปบินทบาทในหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อฉันเสร็จแล้วก็ขอร้องให้พระธรรมกรถึกแสดงธรรมแก่ท่านและแก่มนุษย์ทั้งหลายพวกมนุษย์ฟังธรรมมกถาแล้วนิมนต์ด้วยความเลื่อมใสให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกพระเถระทั้งสองได้พาพระธรรมกรถึกไปรับบิณฑบาตเรือนละสองวันโดยทั่วเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่และประชาชนแต่ว่าพระธรรมกถึกนั้นใจบาปใจชั่วคิดจะครองอาวาสนั้นเอง ตูริเสียเองจึงวางอุบายเพื่อให้พระเถระทั้งสองแตกกันแล้วหลบไปจากอาวาสนั้นเขาเห็นว่าพระเถระทั้งสองอ่อนโยนยิ่งนักจะทําบุ่มบาปไม่ได้ต้องค่อยๆยยุ ย, ยงให้แตกกันตอนเย็นวันหนึ่งพระธรรมมะกะถึกไปสู่ที่บํารุงของพระเถระทั้งสองเมื่อการเวลาสมควรพระเถระทั้งสองลุกแล้วจึงกลับเข้าไปหาพระมหาเถระและกล่าวว่าท่านครับ ผมมีเรื่องจะพูดกับท่านหน่อยหนึ่งนมีอะไรพูดมาเถิดผู้มีอายุพระมหาเทระเปิดโอกาสให้พระธรรมมากระถึกทำทีคิดอยู่หน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่านท่านผู้เจริญการพูดมีโทษมากผมไม่พูดละดังนี้แล้วหลีกไปพระธรรมกระถึกนั้นไปสู่สำนักของพระอนุเทระและได้พูดเช่นนั้นเหมือนกันในวันที่สองก็ทำอย่างนั้นเนี่ย พอถึงวันที่สมเมื่อรู้ว่าพระเถระทั้งสองรวนเรเต็มที่แล้วจึงเข้าไปหาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านครับผมมีเรื่องจะพูดกับท่านนิดหน่อยนพูดเถอะคุณมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถิดพระมหาเถระกล่าวเปิดโอกาสให้ผมสงสัยว่าทำไมท่านกับพระอนุเถระจึงไม่ถูกกันนท่านสัตบุรุษท่านเอาอะไรมาพูด ผมทั้งสองรักใคร่กันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันเมื่อผมได้สิ่งใดพระอนุเทระก็ได้สิ่งนั้นพระอนุเทระได้สิ่งใดผมก็ได้สิ่งนั้นโทษไรๆของพระอนุเทระนั้นผมไม่เคยเห็นเลยตลอดการยาวนานที่อยู่ร่วมกันมาอย่างนั้นหรือท่านอย่างนั้นจริงๆคุณพระมหาเทระรับรองอีกครั้ง ถ้าอย่างนั้นทําไมพระอนุเทระจึงพูดกับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทีเดียวว่าท่านเป็นสัตตบุรุษเป็นกุลบุตรท่านก็หาสมาคมกับพระมหาเทระนั้นด้วยเข้าใจว่าพระมหาเทระเป็นคนมีหิริมีศีลเป็นที่รักขอให้พิจารณาให้ดีเสก่อนแล้วจึงทําพระมหาเทระได้ฟังดังนั้นมีใจโกรธแค้นแตกจากพระอนุเทระดุดภาชนะดินที่บุคคลตีด้วยไม้ พระธรรมมะกตึกเข้าไปหาพระอนุเทระแล้วกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระอนุเทระก็แตกแล้วธรรมดาพระเทระทั้งสองไม่เคยแยกกันไปบินทบาทแต่วันรุ่งขึ้นพระเทระทั้งสองแยกกันไปพระอนุเทระไปถึงก่อนยืนอยู่ที่ศาลาเป็นที่บํารุงพระมหาเทระไปถึงทีหลังพระอนุเทระเห็นท่านแล้วคิดว่า เราควรรับบาตรและจีวรของพระเทระดีหรือไม่หนอแม้คิดว่าจากไม่รับแต่ความที่เคยปฏิบัติมาทำให้ใจแข็งไปไม่ได้ตลอดกลับคิดว่าช่างเถิดเราไม่เคยทําอย่างนี้เน่คือไม่เคยไม่ไปรับบาตรและจีวรของพระเทระเนี่ยเราไม่ควรทำวัดอันดีของเราให้เสียดังนี้แล้วก็ไปหาพระเทระกล่าวว่า ขอท่านจงให้บาดและจีวรของท่านแก่ผมเถิดพระมหาเถระชี้นิ้วตะวาดเอาว่าจงไปจงไปคนหัวดือ้อคุณไม่ควรรับบาดและจีวรของฉันนพระอนุเทระบอกว่าความจริงผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไม่รับบาดและจีวรของท่านพระมหาเถระกล่าวว่าคุณคิดว่าฉันหวงวิหารที่อยู่นักหรือแม้พระอนุเทระก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกัน พระเถระทั้งสองแตกกันแล้วอย่างแท้จริงรูปหนึ่งออกทางทิศตะวันออกอีกรูปหนึ่งออกทางทิศตะวันตกพระธรรมกรัตรกเขียนดังนั้นสมใจแต่แกล้งกล่าวว่าอย่าทำอย่างนี้เลยท่านอย่าทำอย่างนี้แต่พระเถระทั้งสองห้ามให้หยุดเสียในวันรุ่งขึ้นพระธรรมกรัตรกเข้าไปบิณฑบาตในบ้านอย่างเคยเมื่อพวกชาวบ้านถามว่าพระเถระทั้งสองหายไปไหนเล่า พระธรรมกะถึกจึงชี้แจงว่าเมื่อวานนี้ท่านทั้งสองทะเลาะกันแตกแยกกันไปแล้วอาตมาพยายามห้ามเท่าไหร่ก็หาฝังไม่ในหมู่ชาวบ้านคนที่โง่เขาก็นิ่งเสียส่วนคนฉลาดคิดว่าความพลังพาดอะไรอะไรของท่านผู้เจริญทั้งสองพวกเราไม่เคยเห็นเลยสิ้นการนานประมาณเท่านี้ภายเมื่อเกิดแก่พระเทระทั้งสองคงจะต้องเกิดแล้วเพราะพระธรรมกถึกนี่เอง ชาวบ้านเสียใจมากที่พระเถระทั้งสองต้องจากไปในลักษณะเช่นนั้นพระเถระทั้งสองมิได้มีความสบายใจเลยพระมหาเถระคิดว่าโอ้กรรมของพระอนุเถระนั้นหนักมากที่พูดกับพระธรรมกัจจทอันตนเห็นเพียงครู่เดียวว่าอยากคบหาสมาคมกับพระมหาเถระส่วนพระอนุเถระก็คิดเหมือนกันว่าโอ้กรรมของพระมหาเถระนั้นหนักที่กล่าวกับพระธรรมกัจจ อันตนเห็นเพียงครู่เดียวว่าอยาโคผาสมาคมกับพระอนุเทระการสาธยายและการทำไว้ในใจซึ่งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้มีแก่พระเถระทั้งสองนั้นเป็นเวลานา น, านเพราะความเสียใจกังวลใจที่เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นเมื่อล่วงไปร้อยปีพระเถระทั้งสองบังเอิญไปพบกันในวิหารแห่งหนึ่งและบังเอิญได้เสนาสนะเดียวกัน เมื่อพระมหาเถระเข้าไปนั่งบนเตียงพระอนุเถระก็เข้าไปพระมหาเถระเห็นแล้วจําได้ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้แม้พระอนุเถระก็จําพระมหาเถระได้มีในตาอันเอ่อล้นด้วยน้ําตาคิดอยู่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดดีหนอในที่สุดตัดสินใจว่าจะพูดกับพระมหาเถระท่านไหว้พระมหาเถระแล้วกล่าวว่าท่านครับ ผมถือบาทและจีวรของท่านอยู่เป็นเวลานานท่านได้เห็นมารยาทอันใดของผมที่ไม่สมควรอยู่บ้างหรือไม่เคยเห็นเลยผู้มีอายุพระมหาเถระตอบถ้าอย่างนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงพูดกับพระธรรมกะถึกว่าอย่าคบหาสมาคมกับผมผู้มีอายุผมไม่เคยพูดเลยแต่คุณก็เหมือนกันเห็นความประพฤติอันไม่สมควรอะไรอะไรของผมหรือไม่เคยเลยท่าน พระอนุเทระตอบถ้าอย่างนั้นทําไมคุณยังพูดกับพระธรรมกระถึกว่าอย่าคบหาสมาคมกับพระมหาเถระผมไม่เคยพูดเลยครับท่านเป็นความจริงผมไม่เคยพูดเลยพระอนุเทระยืนยันคันแข็งเมื่อเป็นดังนี้พระเถระทั้งสองก็รู้ว่าพระธรรมกระถึกต้องการทําลายท่านทั้งสองจึงยุยงให้แตกกันท่านทั้งสองอย่างกันและกันให้อดโทษแล้วยังความไม่สบายใจ ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลาถึงร้อยปีให้ระงับลงท่านทั้งสองเป็นผู้พร้อมเพียงกันแล้วชวนกันว่ามาเถิดพวกเราไปไล่พระธรรมกัถึกออกจากวิหารท่านทั้งสองเดินทางไปยังวิหารนั้นพระธรรมกถึกเขียนพระเทระทั้งสองแล้วออกมารับบาตรและจีวรแต่พระเทระทั้งสองไม่ยอมให้รับและไล่ให้ออกจากวิหารไป พรธรรมบกตึกเคลื่อนจากพบนั้นแล้วเกิดในอวัยจีมหานรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งมีอัตภาพดังที่พระมหาโมคคลานะได้เห็นแล้วสมนธรรมที่เธอบำเพ็ญมาสองหมื่นปีไม่อาจส่งเธอไว้ได้พระาศาสดาส่งนำอดีตกรรมของสุกรเปรตมาแสดงแล้วตรัสพระคาถาว่าว่าจานุรักษีมณสาสุสังมุโตเป็นอาทิมีระยะดังพนานามาแล้วแต่ตน กําหนักกันนะ 5. ทางเกิดแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตโยคาเวชายเตภูริอโยคาภูริสังคโยเอตังทเวทาปถังยัตตวาพวายะวิภวายะจะ ตัทตานังนิเวสยะยถาภพริปรวัตถิแปลว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบย่อมสิ้นไปเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ความแตกต่างกันทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญาจะเกิดได้ท่านอธิบายความว่า ปัญญาที่เกิดจากการประกอบท่านเรียกว่าโยคะปัญญาในทีน่นี้สับที่ว่าภูริมีความหมายเท่ากับปัญญาถ้ามีคำปัญญาต่อท้ายเป็นภูริปัญญามีความหมายว่าปัญญาอันกว้างขวางดุดแผ่นดินถ้าเป็นชื่อของบุคคลว่าภูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินนี่ปัญญาที่เกิดจากการประกอบ ที่เรียกว่าโยคัปัญญานั้นมีทางเกิดได้3ทางคือ 1. การฟังการเรียนการอ่านการศึกษาสอบสวนไต่ถามท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญา 2. ทางการคิดการไตร่ตรองเรียกจินตามยปัญญา 3. ทางการอบรมหรือการทําให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งการฟังการเรียนหรือการคิดเอาอีกต่อไปเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสชาติกะปัญญาได้แก่ปัญญาอันติดมาแต่กําเนิดเพราะบา ร, รมีอันเคยสั่งสมไว้ในชาติก่อนเข้าทํานองคําพังเพยไทยที่ว่าหนามแหลมไม่มีใครเสี่ยมในพระคาถานี้ทรงแสดงเหตุเกิด และเหตุดับแห่งโยคะปัญญาเหตุเกิดคือการประกอบอันได้แก่หมั่นฟังคิดและทำให้เกิดขึ้นส่วนเหตุดับหรือเหตุสิ้นก็คือการไม่กระทําเช่นนั้นคนที่เรียนมามากมีดีกรีปริญญาสูงแต่เมื่อเรียนสำเร็จแล้วไม่หมั่นค้นคว้าไม่หมั่นคิดและไม่หมั่นปฏิบัติต่อไปความรู้นั้นก็จะค่อยๆเลือนไปทีละน้อยทีละน้อย ความรู้ใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นกลายเป็นคนโมคะปริญญาคือมีปริญญาเปล่าหรือกระดาษเปล่าแบบที่พระพุทธเจ้าตัดเรียกพระรูปหนึ่งว่าโปธิละแปลว่าใบลานเปล่าหรือคมภีเปล่าเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากในการรักษาไว้ซึ่งความรู้ความสามารถและทำให้เจริญยิงย่งขึ้นไปสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิต มารู้ความแตกต่างทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนว้าโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญในอังคุตรนิกายพระพุทธองค์ตรัสว่าความเสื่อมทรัพย์เสื่อมยศและเสื่อมญาตเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ในทางกลับกันความเจริญด้วยทรัพย์ยศและญาต เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นหากจะต้องเสื่อมญาติเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้เสียไปแต่ขอให้รักษาปัญญาไว้อย่าให้ต้องเสียเสื่อมไปเพราะเมื่อเสื่อมปัญญาย่อมจะเสื่อมหมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่อมเสื่อมจากความสุขบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์อันน่าจะทุกข์ ปัญญาจึงเป็นรัตนะคือแก้วหรือสิ่งประเสริฐของคนดังพรนานามาชะนีเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามมเืองสาวัตถีทรงปรารภ พ, พระโปธิละมีเรื่องย่อดังนี้พระโปธิละมีบา ร, รมีในทางทรงพระตจปิดกคือเชี่ยวชาญในพระใจปิดกมาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์ เป็นอาจารย์ผู้บอกทมแก่ภิกษุ500รูปในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราแต่พระโพธิละไม่ค่อยสนใจในการปฏิบัติพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจะยังเธอให้สังเวชน่ตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระโพธิละมาสู่ที่เฝ้าพระพุทธองค์จะตัดทักทายว่า มาเถิดคุณใบาลานเปล่านั่งเถิดคุณใบาลานเปล่าไปเถิดคุณใบาลานเปล่าแม้เวลาที่พระเถระลุกไปก็ตัดว่าคุณใบาลานเปล่าไปแล้วหรือพระโปธถระได้คิดว่าเราเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกบอกทำแก่ภิกษุถึง500รูปถึง18คณะใหญ่แต่พระศาสดาตัดเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบาลานเปล่าเห็นจะเป็นเพราะเราไม่มีคุณวิเศษเช่นฌานเป็นต้น พระโพธิละเกิดความสังเวชแล้วคิดต่อไปว่าเราจะเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บัดนี้ทีเดียวยท่านออกสู่ป่าแต่เช้ามืดไปยังสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งมีพระอยู่ประมาณ30 ร, รูปว่ยพระสังฆเถระแล้วกล่าวว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระสังฆเถระกล่าวว่า ท่านเป็นธรรมกริถึกใหญ่อะไรที่พวกเราพอจะทราบได้ก็ต้องอาศัยท่านทำไมท่านถึงพูดเช่นนั้นพระโพธิละอ้อนวอนอีกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดพระเถระทั้ง30สรูปในที่นั้นล้วนเป็นขีณาศพสิ้นกิเลสแล้วต้องการกำจัดมานะของพระโพธิละพระสังฆเถระจึงส่งพระโพธิละไปสู่สานัก ข, ของพระอนุเถระบอกว่า พระโปธิละนี้มีมา n นะเพราะอาศัยการเรียนพระอนุเทละก็ส่งต่อต่อกันไปถึงพระเทระผู้น้อยลงไปโดยลําดับในทํานองเดียวกันนี้จนถึงสามเณรน้อยอายุเจ็ดขวบแต่ท่านได้บรรลุอรรถผลแล้วกําลังนั่งเย็บจีวร อ, อยู่พระโปธิละผู้มีมา n นะอันถูกจัดออกแล้วจึงประคองอัญเชลีต่อสามเณรพลางกล่าวว่า ขอท่านสัตบุรุษจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดสามเณรกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรนั่นท่านเป็นคนแก่เป็นพระหูสูตรผมควรเรียนอะไรบางอย่างจากท่านพระปโธทิละออนวอนอีกว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดถ้าท่านจะทนต่อเอาโอวาทได้ผมก็จะเป็นที่พึ่งของท่านได้สามเณรกล่าว ผมทนได้แน่นอนท่านสัตตบรุษพระโพธิละยืนยันถ้าท่านสัตตบรุษสั่งให้ผมลุยไฟผมก็จะลุยไฟทันทีสามเณรต้องการทดลองจึงกล่าวว่าท่านหอมจีวร อ, อยู่อย่างนี้แหละแล้วจงลงไปในสะโน้นมีสะอยู่สะหนึ่งไม่ไกลจากที่สามเณรนั่งอยู่พระโพธิละหมจีวรสองชั้นเนื้อดีราคาแพง พอได้ยินสามาเณรสั่งครั้งเดียวก็รีบลงไปในสระแต่พอชายจีวรเปียกสามาเณรก็สั่งให้พระเถระขึ้นมาเมื่อพระโปธิระมายืนอยู่ใกล้ๆสามาเณรได้กล่าวว่ามีจอมปลวกอยู่ลูกหนึ่งมีช่องอยู่หช่องเฮียเข้าไปภายในจอมปลวกทางช่องหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้าเสียทำลายช่องที่หก แล้วจับเอาเหี้ยทางช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละบรรดาทวานทั้ง6ท่านจงปิดทวานทั้งห้าเสียแล้วเริ่มตั้งกรรมฐานในมโนทวานเนื่องจากพระโพธิละเป็นพระหูสูตรมีความรู้มากได้ฟังเพียงเท่านี้ความเข้าใจก็โพรงขึ้นดุดดวงประทีปท่านยังยานลงในกรดชกายปรารบสมณธรรมพระศา ส, สดาประทับนั่งอยู่ในที่ไกลถึง120สโยชน ทรงดำริว่าภิกษุนี้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินเธอควรตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมให้ปัญญาเจริญได้แล้วทรงเปล่งพระสัมีไปประหนึ่งประทับอยู่ที่ใกล้ตัดว่าโยคาเวชายเตภูริเป็นอาิมีในยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระโพธิละได้บรรลุพระอรหัตผล